ลรท่านผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่12เมษายนพุทธศักราช2551เป็นวันแรกของวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งปีนี้มีอยู่มีหยุดติดต่อกันถึงห้าวันด้วยกันถ้าเป็นข้าราชการและสี่วันถ้าเป็นเอกชนเป็นเวลาที่ดีเป็นโอกาสที่ดีเพราะโดยปกติเราจะไม่มีเวลาว่าง ที่ติดต่อกันหลายหลายวันอย่างคราวนี้จึงควรที่จะใช้เวลาว่างโอกาสอันดียิ่งนี้มาเสริมสร้างบุญกุศลให้กับตัวเราเพราะบุญกุศลนี้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเรา เป็นมนุษย์สมบัติเป็นเทวสมบัติเป็นพรหมสมบัติเป็นอริยสมบัติเป็นนิพพานสมบัติเป็นสมบัติที่จะติดไปกับเราเป็นของเราอย่างแท้จริงเราไม่ต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นไม่เหมือนกับทรัพย์ทางโลกเหมือนไม่เหมือนกับลาภยศสรรเสริญ และความสุขต่างๆที่หลังจากที่เราตายไปแล้วเราไม่สามารถนําเอาติดตัวไปกับเราได้มีเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้มียศมีตำแหน่งสูงๆเป็นนายกเป็นปัฒนาทิบดีเป็นพระมหากษัตริย์ก็ไม่สามารถ เอาติดไปกับตัวได้ต้องทิ้งให้เป็นสมบัติของคนอื่นไป <Yeah. S 1> แต่สมบัติที่เราจะสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ <Yeah. S 1> เป็นเหมือนเงาตามตัวเรา <Yeah. S 1> ก็คือสมบัติที่เกิดจากการสร้างบุญสร้างกุณสมนี้เองพระพุทธเจ้าผู้มีพระ ปัญญาอัญชลาดแหลมคมมีพระยานมีดวงตาธรรมจักสุสามารถเห็นถึงสมบัติต่างๆที่เราสามารถพกพาติดตัวไปกับเราได้จึงได้ทรงสั่งสอนให้พวกเรา สะสมบุญสะสมกุศลให้มากๆยิ่งกว่าสะสมสมบัติข้าวของเงินทองอื่นๆทั้งหลายที่เราเป็นเจ้าของได้ก็เฉพาะในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่พอเราตายไปแล้วสมบัติทั้งหลายที่เราสะสมไว้ ก็จะกลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไปไม่เกิดประโยชน์กับเราอีกต่อไปแต่ถ้าเราสะสมบุญสะสมกุศลแล้วจะเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราจะติดตามไปกับเราทุกภพทุกชาติจนกว่าเราจะไม่ต้องอาศัยบุญอาศัยกุศลอีกต่อไป คือเมื่อเราได้ถึงพระนิพพานสมบัติได้พระนิพพานมาเป็นสมบัติของเราแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยบุญอะไรอีกต่อไปเพราะบุญก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งที่จะพาให้เราเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราทุกคนปรารถนาจะไปกันเช่นเรา ไปไหนมาจะไปไหนมาไหนก็ตามในที่สุดเราก็อยากจะกลับบ้านอยากจะกลับบ้านไปหลับไปนอนไปอาบน้ำไปพักผ่อนไปรับประทานอาหารบ้านเป็นที่ที่เราปรารถนากันทุกคนไม่ว่าเราจะไปไหนไกลแสนไกลขนาดไหนเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องการที่จะเดินทางกลับบ้าน บ้านของใจก็คือพระนิพพานนี้ไม่ว่าเราจะเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่มามากมายกี่ล้านภพล้านชาติก็ตามเราก็ยังต้องการที่จะกลับบ้านของเราเพราะบ้านของเรานี้เป็นที่ให้ความสุขกับเราไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และการที่จะเดินทางไปถึงบ้านของเราได้เราก็ต้องเอาสายบุญกุศลนี้เองเป็นรถยนต์พาเราไปสู่บ้านที่มีแต่ความสุขบ้านที่ไม่มีความทุกข์ไม่ต้องร้องผอมร้องไห้ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไม่เหมือนกับบ้านที่เรามีอยู่ในภพนี้ในชาตินี้เป็นบ้านที่ ยังเต็นไปด้วยความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจเพราะเราอยู่ในบ้านที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเกิดมีการดับมีการไปมีการมามีการพัดพรากจากกันอยู่เสมอๆ เ, เราจึงยังต้องอาศัยบุญและกุศล ที่จะพาให้เราไปสู่บ้านไปสู่สมบัติที่ถาวรที่ให้ความสุขกับเราไปตลอดที่ป้องกันปัดเป่าไม่ให้ความทุกข์ทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่มทำลายจิตใจของเราได้เลยพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้พวกเราเตือนตนอยู่เสมอถามตนเองอยู่เสมอว่า ขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำบุญอยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราควรจะรีบทำกันเสียถ้าเรามีเวลาว่างอย่าปล่อยให้ให้เวลาว่างผ่านไปเวลาที่ไม่ว่างก็ควรจะเป็นเวลาที่ใช้ไปกับสิ่งที่จำเป็นจริงๆเช่นการทำมาหากิน เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อทเพื่อเราจะได้มีกำลังวังชามีทรัพย์ที่จะนำมาทำบุญทำกุศลอย่าไปทำกิจที่มันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์กิจที่เราควรจะทำก็มีอยู่สองกิจ ด, ด้วยกันคือการทำมาหากิน เลี้ยงปากเลี้ยงทองหาเงินหาทองเมื่อเรามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เราก็นําเอามาทําบุญอย่างที่เรามาทํากันในวันนี้เรามาวัดเราเอาเงินที่เราหามาได้มาทําบุญแล้วเราก็มารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรม ถ้าอยู่วัดได้เราก็อยู่กันสามวันบ้างห้าหวันบ้างเจ็ดวันบ้างเพื่อที่จะได้ทำบุญได้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้มีบุญมากๆเพราะบุญนี้ทำเท่าไหร่ก็ไม่เสียหายมีมากเท่าไหร่ก็ไม่เสียหายมีแต่จะให้คุณให้ประโยชน์แต่อย่างเดียว ถ้าเราไม่ทำบุญเราปล่อยให้เวลาผ่านไปกับกิจที่ไร้สาระต่างๆเช่นการเที่ยวการเล่นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสโผธพะจะเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เพราะเวลาของเรานี้มีจำกัด มันจะหมดไปเรื่อยๆและไม่นานก็จะถึงวันสุดท้ายของชีวิตของเราเมื่อเราต้องจากโลกนี้ไปเราก็ต้องอาศัยบุญเป็นผู้พาไปถ้าเราต้องการไปสู่เทวสมบัติไปสู่พรหมสมบัติไปสู่อริยสมบัติถ้าเราไม่ได้ทำบุญกัน เราก็จะไม่มีบุญพาเราไปสู่สมบัติอันประเสริฐต่างๆและยิ่งถ้าเราไปทำบาปทำกรรมเราก็จะต้องไปสู่สมบัติที่ที่เลวยต่างๆเช่นเดรัจฉานสมบัติเประตะสมบัติหรือนรกสมบัติ นั่นคือสมบัติมิรังวันสำหรับผู้ที่สร้างเวรสร้างกรรมทำบาปทำกรรมนี่เป็นกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุ้เห็นแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกผู้มีใจที่มืดบอ ด, บอด เพราะความหลงจึงทำให้ไม่เห็นความจริงทำให้ไม่เชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงกรรมมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงตายแล้วต้องไปเกิดมีจริงจะไม่เชื่อเพราะไม่สามารถมองเห็นได้นั่นเอง เพราะผู้ที่จะไปเกิดนะั้นเป็นนามปรธรรมไม่ใช่เป็นรูปธรรมรูปธรรมคือร่างกายเราเห็นแล้วว่าเมื่อตายไปเขาก็เอาไปเผาไฟลายเป็นขี้เท่าขี้ถานไปก็จบก็คิดว่าจบแต่หารู้ไหมว่านอกจากกายแล้วเรายังมีใจอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญของชีวิตของเรา ใจนี้ไม่ตายใจนี้เปียบเหมือนกับกระแสวิทยุที่มีอยู่รอบตัวเราในขณะนี้แต่เรามองไม่เห็นกันแต่ถ้าเราเอาวิทยุมาเปิดเราจะสามารถรับสถานีวิทยุต่างๆได้แต่เรามองไม่เห็นคลื่นของวิทยุเพราะเป็น ไม่พะไม่ใช่เป็นรูปธรรมไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาใจก็เป็นเหมือนกับกระแสวิทยุเป็นนามธรรมา ท, ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ า, ลาแต่เราก็รู้อยู่ด้วยปัญญาว่าถ้าไม่มีใจร่างกายนี้ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เช่นคนตายนอนอยู่เฉย เป็นเพราะว่าไม่มีใจมาสั่งการให้ร่างกายนั้นทำอะไรให้รับรู้เรื่องอะไรใครจะไปทำอะไรกับร่างกายที่ตายไปแล้วก็จะไม่มีอาการอะไรตอบโต้แต่อย่างใดเอาเข็มไปทิ่มก็ไม่มีการสะดุ้งผวาผู้ที่สะดุ้งผวาก็คือใจถ้ายังมีใจอยู่ใครเอา เข็มไปทิ้มร่างกายของคนที่ยังหายใจอยู่เขาก็จะต้องสะดุ้งขึ้นมาผู้ที่สะดุ้งนี้ไม่ใช่ร่างกายแต่คือใจใจคือผู้รู้ผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆเช่นในขณะนี้ใจเป็นผู้รับรู้เสียงที่เข้ามาสัมผัสกับหูแล้วก็ส่งสัญญาณไปสู่ใจ ใจก็รับรู้เสียงนั้นแล้วก็แปลเสียงนั้นให้เป็นความหมายว่ามีความหมายอะไรอย่างไรเพราะว่าใจได้รับการสอนมาตั้งแต่ตอนเกิดว่าเสียงนี้มีความหมายว่าอย่างไรเช่นตอนเด็กๆ ก, ก็สอนว่าพ่อแม่อย่างนั้นอย่างนี้ เป็นการสอนใจให้รู้ถึงภาษาให้รู้ว่าเสียงนี้มีความหมายว่าอย่างไรถ้าเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่ใจไม่ได้เรียนมาถ้าพูดไปใจก็จะฟังไม่เข้าใจเช่นถ้าพูดเป็นภาษาแขกเป็นภาษาอื่นที่เราไม่ได้เรียนกันมาเราก็จะไม่เข้าใจความหมายของเสียงนั้นว่าเป็นอะไร ผู้ที่รับรู้นี้ก็คือใจนี้เองใจนี้แหละเป็นผู้ที่มาเกิดและใจนี้เป็นผู้ที่จะไปเกิดใหม่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเมื่อร่างกายนี้หมดสภาพใจก็ต้องไปสู่พบใหม่ชาติใหม่ใจก็เป็นเหมือนกับคนขับรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์ก็เป็นเหมือนร่างกาย เมื่อเมื่อร่างกายนี้เสียชำรุดไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อีกต่อไปใจก็ต้องทิ้งร่างกายนี้ไปเมื่อรถยนต์นี้มันไม่สามารถที่จะวิ่งได้อีกต่อไปเจ้าของรถยนต์ก็ออกจากรถแล้วก็เดินไปหารถคันใหม่นี่คือใจเป็นอย่างนี้ เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันมีแต่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์เท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นใจได้เป็นผู้เห็นและรู้ว่าใจนี้หลังจากที่ตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรจะไปเป็นเดรัจฉานเช่นเป็นนกเป็นแมวหรือจะไปเป็นเปรต หรือจะไปตกนรกหรือจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือจะไปเป็นเทพเป็นพรหมไปพระนิพพานก็คือใจดวงนี้นั่นเองใจนี้ไม่ตายไปกับร่างกายใจมีจะทางเลือกอยู่สองทางคือจะเวียนว่ายตายเกิดหรือจะไม่เวียนว่ายตายเกิดใจที่ฉลาด เช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายจะไม่เวียนไหวตายเกิดเพราะเห็นว่าการเวียนไหวตายเกิดเป็นความทุกข์เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันต้องเจอกับสิ่งต่างๆที่ไม่ปรารถนาต้องสูญเสียสิ่งต่างๆที่ที่รักไป ก็จะเกิดความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจวุ่นวายไม่รู้จักจบจากสิ้นตายไปถ้ายังไม่หยุดไปเกิดก็ต้องไปทุกข์ใหม่อีกทุกข์อย่างนี้ไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ท่านเห็นว่ามันไม่ดีการไปเกิดใหม่นี่ไม่ดีท่านจึงหยุดการไปเกิดเพราะท่านรู้ว่า อะไรคือน้ำมันที่จะทําให้ใจนี้ไปเกิดใหม่อะไรเป็นเหตุที่ทําให้ใจนี้ไปเกิดใหม่เหมือนกับรถยนต์ถ้ามีน้ํามันมันก็สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้แต่ถ้าไม่มีน้ํามันมันก็ไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ใจก็มีน้ํามันเหมือนกันน้ํามันของใจก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่ พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์จึงต้องชำระจิตใจให้ปราศจากความโลภความโกรธความหลงด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลอย่างเต็มที่คือแทนที่จะแบ่งเวลาไปทำมาหากินอย่างพวกเราแล้วมาทำบุญกันอาทิตย์ละครั้งหนึ่งเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันพระ ท่านก็ตัดสินใจออกบวชกันเพื่อจะได้ทำบุญกันทุกวันส่วนเรื่องการทมอาหารกินก็มีคนอื่นเขาดูแลให้อยู่เช้าเพียงแต่ถือบาตรเข้าไปในบ้านก็มีคนใส่บาตรให้รับประทานแล้วเรื่องการทำอาหารกินของพระนี้ก็ง่ายบินทบาทวันละครั้งเดียวก็พอแล้ว แล้วเพื่อจะได้มีเวลาที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลมาชําระความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจเพราะการชําระความโลภความโกรธความหลงนี้ต้องใช้เวลามากจะมาทํากันแบบอาทิตย์ละครั้งนี้จะไม่พอจะถ้าทําอาทิตย์ละครั้งนี้คงจะต้องทําไปอีกหลาย หลายล้านชาต <im> ิด้วยกันกว่ามันจะหมดเพราะเราทำวันหนึ่งเรามาชำระวันหนึ่งแต่อีกหกวันเราก็ไปเติมมันเข้ามาใหม่ทุกครั้งที่เราโลภเราก็เติมกิเลสเพิ่มขึ้นมาทุกครั้งที่เราโกรธเราก็เติมกิเลสเพิ่มขึ้นมาทุกครั้งที่เราหลงเราก็เพิ่มกิเลสขึ้นมาหกวันเราเพิ่มมันหกวันแล้วเรามาชาระมันเพียงวันเดียว อย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะชำระมันให้หมดไปจากจิตจากใจได้ถ้าจะให้มันหมดจากใจต้องชำระมันทุกวันดังนั้นผู้ที่ปรารถนาการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงออกบวชกันไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายจะไม่เสียดายกับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ ไม่เสียดายกับความสุขของคารวาสเพราะเห็นว่าความสุขของคารวาสนี้เหมือนของเหมือนความสุขที่อยู่ในบ้านที่ไฟกำลังไหม้อยู่มันจะมีความสุขอย่างไรถ้าเรามีถ้าไฟในบ้านของเราไหม้ขึ้นมาต่อให้มันให้ความสุขกับเรามากเพียงไรเราก็ไม่อยู่กันเห็นไฟไหม้ก็ต้องรีบวิ่งออกจากบ้านก่อน แต่พวกเรามันเป็นพวกตาบอดหูหนวกกันไม่เห็นไฟของความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงเผาไหม้จิตใจของเราอยู่ตลอดเวลากับหาความสุขจากความโลภความโกรธความหลงกันอยู่ตลอดเวลาด้วยการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังไปเล่นต่างๆเหล่านี้เป็นการหาความสุข ในบ้านที่กำลังไฟไหม้อยู่แล้วเมื่อไฟมันลุกขึ้นมามากๆ ก, ก็ต้องทุกทรมานร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันทุกวันนี้ที่เราเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราไม่หนีออกจากบ้านที่กำลังมีไฟไหม้อยู่นั่นเองเรายังหลงยึดติดกับความสุขเล็กๆน้อยๆของคารวาส ความสุขที่จากการได้รับประทานอาหารวันละสามมื้อได้หลับนอนบนเตียงบนฟูกหนาเติดเครื่องปรับอากาศมีความสุขกับคู่ครองของตนมีความสุขกับการได้ดูภาพยนตร์ดูละครฟังเพลงรับประทานอาหารที่ถูกปาก นี่คือความสุขในบ้านที่ไฟกำลังไหม่ยอยู่แล้วพอวันไหนเราไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสกับความสุขเหล่านี้เราก็เศร้าโศกเสียใจเวลาคนที่รักตายไปจากเราไปเวลาที่เงินหมดไปไม่มีเงินไปซื้อความสุขไม่มีเงินที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ตอนนั้นก็ร้องโหยร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันแทนที่จะมาหาความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเรากลับหาไม่เป็นกันไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอหรหันต์ทั้งหลายท่านเห็นความสุขที่แท้จริงมีอยู่ในใจของท่านอยู่แล้วเพียงแต่ชําระ Arena, ความโลภความโกรธความหลงให้มันหมดไปเท่านั้นเองก็จะพบกับความสุข อันยิ่งใหญ่ความสุขอันประเสริฐความสุขที่ไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้นักปราหรือคนฉลาดทั้งหลายต้องสละเพศของคาลวะแล้วออกบวชกันเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาสีนั่งสมาธิเจริญปัญญาจนในที่สุด ก็ชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงจนหมดสิ้นไปจากจิตจากใจกลายเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาให้พวกเรากราบว่าให้เป็นศาสดราให้เป็นครูสอนพวกเราพวกเราถ้าเป็นศิษย์ที่มีครูเชื่อครูเราก็ต้องปฏิบัติตามครูเอาครูมาเป็นเยี่ยงอย่าง อย่าไปปฏิบัติตามกิเลสกิเลสมันไม่ได้พาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงมันจะพาเราไปสู่ความทุกข์เสมอขอให้เราพยายามปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเริ่มต้นด้วยการนำมาวัดมาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆแล้วนำเอาไปปฏิบัติ ต, ต่อและเพิ่มวันมากขึ้นไปเรื่อยๆ มาวัดให้เพิ่มให้มากขึ้นเที่ยวให้น้อยลงหาความสุขทางโลกให้น้อยลงมาบําเพญ็ญมาปฏิบัตินั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบให้มากขึ้นกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้มากขึ้นแล้วต่อไปมันก็จะไปของมันเองพอเราเริ่มเห็นผลแล้วเราก็จะมีความยินดี เราจะรู้ว่าความสุขที่เกิดจากการทำบุญสร้างกุศลความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี้มีคุณค่ามากกว่าความสุขอื่นๆในโลกนี้ก็จะทำให้เรากล้าที่จะเลิกสแสวงหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราจ ะ, สะแสวงหาความสงบอยู่เรื่อยๆเราจะรักษาศีล เราจะทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆเพราะเงินทองจะมีเหลือใช้เงินทองส่วนใหญ่ของเราจะหมดไปกับการหาความสุขทางโลกกันแล้วเมื่อเราไม่หาความสุขทางโลกแล้วเราก็จะมีเงินเหลือเมื่อเรามีเงินเหลือเราก็จะเอามาทำบุญเมื่อทำบุญก็จะทำให้ใจเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นไปใหญ่ทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่สูง มีความเมตตากรุณาไม่ชอบเบียดเบียนผู้อืน่นทำให้เราสามารถนักษาศีลได้ทำให้เรานั่งสมาธิได้ทำให้เราออกบวชกันได้นี่คือการใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่าปล่อยให้เวลาวันหยุดสี่ห้าวันนี้ผ่านไปโดยไม่ได้ทำบุญทุกวันขอให้ทำบุญกันทุกวัน ไม่ได้มาวัดก็อยู่ที่อื่นก็ทำได้รักษาศีลก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเป็นคนว่านอนสอนว่าง่ายสอนง่ายก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเป็นคนไม่เกียดคร้านมีความขยันหมั่นเพียรในการทำความดีก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งนั้นกันขอให้เราพยายามทำแต่สิ่งที่ดีกัน อย่าไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเช่นไปยิงนกตกปลาไปเล่นการพนันไปเสพสุรายาเมาไปเที่ยวกลางคืนสิ่งเหล่านี้ทําไปแล้วไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นสูงขึ้นแต่อย่างใดแต่มีแต่จะฉุดกให้เราต่ําลงไปเรื่อยๆต่าลงไปสู่กองทุกไปสู่ความทุกข์ทั้งหลายจึงขอให้ท่านพยายามเตือนตนเองด้วยการถามตนเองเสมอว่า ขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าทำบุญก็ขอให้ทำมากมากถ้าทำบาป ก, ก็ขอให้ละเสียถ้าไม่ทำอะไรก็ให้ทำบุญอย่าอยู่เฉยๆนอกจากเวลาที่จะต้องพักผ่อนหลับนอนถ้าตื่นขึ้นมาแล้วขอให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะไม่มีใครจะตักตวงประโยชน์ให้กับเราได้นอกจากตัวเราเอง ผู้อื่นทำแทนเราไม่ได้ทำให้เราเป็นคนดีไม่ได้ทำให้เราไปสวรรค์ไม่ได้มีเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ทำเองจึงขอฝากเรื่องของการใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ในวันหยุดในช่วงเทศกาลสงการานต์นี้ให้ท่านได้นำไปเป็นคติเตือนใจสอนตนเพื่อจะได้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 ด้วยอายุวันะสุขะตาละโดยทั่วหน้ากันเธอ